วันนี้เป็นวันบูสดนะและก็เรียกว่าวันพระกันเป็นวันพระเล็กเมื่อเจ็ดวันที่แล้วเจ็ดวันที่แล้วเรียกว่าวันอะไรวันวิสาขะนะไม่ใช่วันวิสาขานะวันวิสาขานี้เป็นชื่อของสาวิกาที่เป็นคารวาสเนี่ยนะเป็นสาวก แต่หมายถึงวิสาขาวิสาขาเริกชื่อเป็นชื่อของเดือนแต่ว่าวันวิสาขาปุณณมีเป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และก็ดับขันปริญิพานดับกิเลสหมดพร้อมทั้งรูปปาจจายแต่ที่จริงกิเลสนั้นพระองค์ทรงดับตั้งแต่วันวิสาขาก่อนที่รูปปาจจายจะดับสี่สิบห้าพระพันษาเพราะฉะนั้นเมื่อวันวิสาขาที่แล้ว พระผู้มีพระภาคทรงดับรูปปักายารูปปกายตอนนั้นนี่ก็เหมือนกับธาตุไฟกองโตๆที่สว่างโชดช่วงหมดเชื้อแล้วก็ดับไปเนี่ยนะเป็นกองไฟที่เรียกว่าทำให้ลุกใหม่ไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าเชื้อไม่มีปัจจัยแห่งการลุกในพบใหม่ไม่มีสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้า หมดเชื้อคือตันหาที่เป็นเหตุปฏิสนธนะิแต่ถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายคิดไม่ดีจะเป็นอุดเชท่ทิฐินะเอพระองค์ดับขันทัปปรินิพานก็หายไปหมดเลยสินะถ้าคิดไม่ดีก็จะเป็นอุดเชื้อท่ทิฐนะิถ้าหากว่าเข้าใจว่าสัตว์เนี่ยศูนย์เป็นต้นเนี่ยนะเข้าใจว่ามีสัตว์แล้วสัตว์นั้นหมดไปอันนั้นเป็นอุดเชททิฐิ โอ้พระชนะท่านกลัวเรื่องนี้เหลือเกินทั้งนั้นพระชนะนี่กลัวมากกลัวมันสูญเนี่นยนะคิดไปคิดมาเออถ้ามันดับหมดเลยโอ้โหอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยแย่แน่อ่นนานถ้าหากว่าเข้าใจเรื่องสังสารวัฏไม่ดีพอมาเอาเรื่องนี้มาตรึกซึ่งเกินวิสัยของเรานี้ก็จะกลายเป็นอุเฉททิเทง่ายๆแต่ก็ท่านมีอุปมาในคำพีพุทธวงว่าการที่พระผู้มีพระภาค ทรงดับขันปรินิพานก็เหมือนกับกองไฟกองโตที่ลุกขึ้นหมดเชื้อก็ดับไปพระพุทธเจ้านั้นก็ลักษณะนั้นแหละทีนี้รู ป, ปรกายสิ้นลมหายใจเมื่อวันวิสาขะทีนี้รูปร่างกายที่เป็นเนื้อเป็นเลือดเนี่ยนะก็ประชุมภาพเพลิงในวันนี้ประชุมภาพเพลิงแล้วก็ถ้าจาไม่ผิดไหมอยู่เจ็วันไฟลุกอยู่เจ็วันด้วยนะ เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ประชมาพาเพลิงพระผู้มีพระภาคโดยที่อนุภาพของเทพเนี่ยนะเทวดามั้งกันแต่ที่จริงแล้วก็ไม่น่าแปลกอะไรนะเพราะทุกอย่างเนี่ยนะสามารถเสียดสีให้เป็นไฟลุกได้เลยในทุกผนทุกแห่งอยู่แล้วนะอันอนุภาพของเทวดานี่เขาก็สามารถเนรมิตให้เป็นไฟทิพย์ได้ขนาดไฟในป่าต้นไม้มันเสียดสีกันเนี่ยนะไฟป่ายังขึ้นได้เลยนะจํากล่าวไปยายถึงอนุภาพของเทพวังง้งกันเพราะฉะนั้นด้วย อนุภาพของเทพก็ทำให้ภาพเพลิงนะก็ประชุมขึ้นติดนันแหละเสร็จแล้วก็จะเหลือเฉพาะพระบรมสารีริกธาตุนะก็เหลือแต่ที่เรียกว่ากระดูกกันนะกระดูกของพระผู้มีพระภาคเหลือไว้ให้พุทธบริษัทได้กราบได้วหว้ในยุคลังๆมาอันผู้ที่มีศรัทธาตามระลึกนึกถึงพุทธคุณเหล่านั้นกราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ อันนี้ก็นับว่าเป็นมหากุศลอย่างยิ่งใหญ่กุศลอันนั้นเนี่ยสามารถให้เขาไปสู่สุขติได้เนี่ยนะนับตั้งแต่การบูชาเพราะว่าการบูชานี้เป็นกุศลในบุญกิริยาวัตถุสิบเนี่ยนะการบูชาเนี่ยเป็นบุญกิริยาวัตถุประเภทไหนเป็นบุญประเภทการนอบน้อมใช่ไหมการนอบน้อมเนี่ยสงเคราะห์ลงทานศีลภาวนาการนอบน้อมเป็นกุศลชั้นไหน เป็นกุศลศีลเนีเราสวดมนต์ไหว้พระด้วยความรู้ความเข้าใจนี่เป็นกุศลศีลหรือว่าเป็นที่ถูกชั่วกรรมก็ได้การสวดมนต์ไหว้พระการตามระลึกนึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทำด้วยความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะคนที่มีความเข้าใจนั้นอาศัยเหตุการใดๆกุลศลจิตเขาก็เกิดขึ้นได้หมดเลยถ้ามีโยนิโสทัย่างเนี่ยนะ ถ้ามีโยนิโสทอย่างไม่มีอารมณ์ใดที่ไม่เป็นอารมณะปัจจัยของกุศลได้ถ้ามีโยนิโสแต่โยนิโสก็มีอาหารอาหารของโยนิโสคืออะไรนะศรัทธาที่บริบูรณ์นะถ้ามีศรัทธาที่บริบูรณ์ก็สามารถที่จะโยนิโสได้ทุกอารมณ์ถ้ามีศรัทธาในกุศลธรรมน ะ, ะถ้ามีศรัทธาก็จะมีโยนิโส ถามว่าแล้วศรัทธามีอะไรเป็นอาหารศรัทธามีอะไรเป็นอาหารก็การฟังการเล่าเรียนมาอย่างบริบูรณ์เป็นอาหารของศรัทธานะการเล่าเรียนที่บริบูรณ์ก็สัพปุริสรูการคบสัตว์ บ, บุรุษอย่างบริบูรณ์เมื่อมีการคบสัตว์ บ, บุรุษ ท, ที่บริบูรณ์ก็จะได้ฟังพระศรัทธมอย่างบริบูรณ์การฟังพระสรัทธมที่บริบูรณ์ก็จะทาให้มีศรัทธาบริบูรณ์ ถ้ามีศรัทธาบริบูรณ์และเห็นอารมณ์อะไรก็โยนิโสได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะคำสอนแสดงไว้กับทุกๆอารมณปัจจัยไม่มีอารมณปัจจัยใดที่พระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงกล่าวถึงแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าใช้คําว่าอารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้เนี่ยนะจิตที่รับรู้อารมณ์ยกตัวอย่างเช่นเราเห็นสีเนี่ยนะจิตที่รับรู้สีสามารถมีอะไรบ้างจิตที่ไปรับรู้สีนะจิตชนิดไหนบ้าง โลภะก็รู้สีมีสีเป็นอารมณ์โทสะก็มีสีเป็นอารมณ์ได้โมหะก็มีสีเป็นอารมณ์ได้จะคู่วิญญาณสัมปติชนะสันติรณะก็มีสีเป็นอารมณ์ได้มหากุศุก็มีสีเป็นอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีอย่างยกตัวอย่างคนที่เรียนวิสุทธิมรรคมาเป็นอย่างดีสีทุกสีเป็นอารมณปัจจัยของกุศลได้หมดเลย ไม่เป็นจารีตกับวารีตอ่ะสองอย่างอยู่ในนั้นอ่ะสามารถเป็นได้นะเอางี้นะในทุกๆอารมณ์เนี่ยนะสามารถก่อให้ล่วงกรรมบวได้ไหมอ่านะฝุ่นเนี่ยก่อให้ล่วงกรรมบวได้ไหมอ่านะก่อให้ทําบาป ท, ทํากรรมได้นะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะสามารถเอาฝุ่นเนี่ยทำบาป ท, ทำกรรมได้เอางี้นะในขณะเดียวกันฝุ่นก็เป็นอารมณ์ของกุศลได้ถ้าปรารบจะงดเว้น เนะงดเวรที่ไม่ไม่เอาวัตถนนุนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยให้อากุศรจิตเกิดเนี่ยนะไปทําบาปทํากรรมโดยอาศัยสิ่งนั้นนั้นอย่าลืมนะฝุ่นเนี่ยบางคนเนี่ยเอาของไปซ่อนเนี่ยนะเอาฝุ่นเนี่ยปิดไว้ก่อนนะเอาฝุ่นเนี่ยปิดปิดซ่อนของไว้นะจับของเข้าไปแล้วก็เอาคืนยังไงเออเขมีวิธีลักแบบนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นฝุ่นนี่ก็เป็นอา ร, รัมมณปัจจัยหรือว่าเป็นที่อาศัยทําให้บาปทําบาปทํากรรมได้ เพะในขณะเดียวกันเนี่ยนะคนที่ปัดฝุ่นเป็นต้นเพื่อประสงค์ให้คนอื่นมีความสุขก็เป็นกุศลได้เนี่ยนะเช่นดูดฝุ่นออกจากสถานที่บางแห่งเนี่ยนะให้ทุกคนได้รับอากาศที่ดีอันนี้ก็เป็นอา ร, รมณปัจจัยของกุศลได้เนี่ยนะเพราะในสิ่งสิ่งเดียวเนี่ยแม้แต่ฝุ่นก็ยังเป็นอารมณ์ของกุศลและอ ก, กุศลจะกล่าวไปยหย่สิงที่สิ่งที่ใหญ่โตกว่านั้นเนี่ยนะถ้าหากว่ามีโยนิโสที่บริบูรณ์ ก็สา ม, มารถน้อมสิ่งเหล่านั้นให้เป็นกุศลได้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็อยู่ที่การฟังฟังแล้วก็มีศรัทธาหรือเปล่าเนี่ยนะเหตุปัจจัยที่สาคัญก็คือเรียนมาดีพอไหมที่จะให้สิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ของกุศลได้พอที่จะเป็นอุปนิสัยแห่งกุศลได้อย่างการเรียนวิสุทธิมรรคเนี่ยนะเมื่อเราฟังขนาดนี้แล้วเนี่ยถามว่าฮริโอตตปะเราเกิดบ่อยไหม ถ้าเกิดบ่อยก็แสดงว่า เ, เรียนมาค่อนข้างดีมีศรัทธาในสิ่งที่เรียนไปนะแต่ถ้าหากว่าเฮียรีโอตาปะไม่ค่อยเกิดเลยอกุศลเกิดเท่าเดิมก็แสดงว่าฟังไม่ค่อยเข้าใจนะักหรือไม่ก็เข้าใจแต่ว่าศรัทธาไม่ค่อยไม่ค่อยมีเมื่อศรัทธาไม่มีเป็นต้นก็เลยหฮีรีโอตาปะซึ่งเป็นเหตุใกล้แหงกุศลศีลก็ไม่ไม่เกิดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย แต่ถ้าหากว่าคนที่สามารถน้อมในอารมณ์นั้นๆให้เป็นกุศลได้ก็ควรแกการอนุโมทนาเนี่ยนะกุศลหรือที่เรียกว่าสุจริตเนี่ยนะจิตที่เป็นกุศลเนี่ยอยู่แค่ในจิตอย่างเดียวไหมยอยู่ไหมกุศ ล, ลจิตเนี่ยต้องทำจิตตชรูปด้วยน ะ, ะจิตตชรูปที่แสดงออกมาทางกายเรียกว่ากายกรรมกายกรรมถ้าล่วงมาทางวาจาเป็นวาจีกรรมถ้านึกคิดไปเรื่อยเป็น มนโนกรรมเพราะฉะนั้นเจตนาเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นกรรมตลอดฉะนั้นไม่เฉพาะแต่บุญกรรมอย่างเดียวนะบาปประกรรมก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละถ้าไม่รู้ว่าบาปประกรรมก็เข้ามาแล้วนั่งใ้ฉยๆซึมๆก็บาปเหมือนกันนะแต่ว่าบาปประเภทโมหะว่า ง, งั้นครั้งที่แล้วกล่าวถึงวิสุทธิมรรคเนี่ยนะในหน้า48เลยนะขึ้นวันนี้เพราะว่าได้เรียนถึงศีลประเภทติกะรคำว่ติการนี่แปลว่า หมวดสามหมวดสามแห่งศีลหมวดหนึ่งนี่ศีลมีอย่างเดียวคือศีลละนะนะหมวดหนึ่งเนี่ยนะนับหนึ่งเลยศีลนับหนึ่งคือศีลละนะคือหมายความว่าตั้งมั่นกับรองรับกุศลธรรมชั้นสูงศีลนี่แบ่งออกเป็นสองได้นะได้เขาเรียกว่าทุกกะถ้าแบ่งเป็นสองเรียกว่าทุกะทุกะกลุ่มที่หนึ่งกล่าวถึงจารีตกับวารีต ทุกกาที่2องภิสมาจารย์กับอาทิพรมจันทร์ทุกกาที่3วิรติกับอวิรติทุกกาที่4นิสิตตศีลกับอนิสิตตศีลทุกกาที่5กาลปริยันตะกับอานปาณโกติกศีลทุกกาที่6 ปริยันตศีนกับอริยันตศีนแล้วก็ทุกขาที่เโลกิยะศีนกับโลกุตระสินตรงนัยยะแห่งโลกิยาสินที่เป็นไปเพื่อโลกุตระสินนะตรงนั้นควรจําให้ได้ควรจําให้ได้เพราะว่าเป็นลําดับของการเกิดขึ้นของกุศลถ้าเจริญกุศลที่ถูกต้องนะต้องเป็นไปตามลําดับอย่างนั้นเนีย่ยนะอันนั้นเป็นข้อมูลเอาไว้วัดเอาไว้เทียบเคียงเป็นอย่างดีเลยนะ ในหน้า43เนี่ยควรจำเอาไว้ควรจำให้ได้ทั้งหน้านั่นแหละเฉพาะภาษาไทยก็ดีเพราะว่าเป็นลำดับที่ที่เอาไว้ตรวจสอบถึงสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดชีวิตประจำวันว่าเกื้อกูลไปโดยลำดับเหล่านี้ไหมถ้าไม่ได้เป็นไปตามลำดับลักษณะนี้ก็แสดงว่าผิดจุดประสงค์ของการรักษาศีลแล้วอท่ทีนี้มาขึ้นติกะ ติกะนี้ก็แบ่งเป็น5ติกะติกะที่1กล่าวถึงศีลอย่างเลวอย่างกลางและก็อย่างประนีตติกะที่2ก็คืออัตตาที่ปไายศีลโลกาที่ปไายศีลและก็ธรรมาที่ปไตยศีลติกะที่3ปรามัทธศีลอปรามัทศีลและก็ปฏิปัสสัตทธิศีล ติกะที่4กล่าวถึงวิสุทธศีนอวิสุทธศีนและก็เวมะติกะศีลติกะที่หซึ่งจะเรียนต่อไปกล่าวถึงศีลที่จัดว่ามีสมอย่างโดยเกี่ยวกับเป็นเสขาศีนเป็นต้นอย่างนี้คือ ศีนที่สัมปยุตกับอริยมรรคสี ก, 4, กับสามัญญผลสามชื่อว่าเสขะศีลเอาเฉพาะโลกุตระอย่างเดียวนะเฉพาะาวีระตีเป็นต้นที่เกิดร่วมกับโสดาปฏิมรักสกะทาคามิมร์อะนาคามีมร์อะระหตมร์โสดาปฏิพนสกกะทาคามิพนอนาคามิพนกุศลศีลเหล่านั้นเรียกว่าเสขะศีลส่วนศีลที่สัมปยุตกับอะระหตมร์ชื่อว่า อะเสขาสีลนะเป็นสีลที่ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปจบแล้วสีลที่เหลือชื่อว่าเนวะเสขานาเสขาสินหมายถึงโลกียาสินทั้งหมดเป็นเนวะเสขานาเสขาคือจะว่าสีลที่ศึกษาก็ไม่ใช่จะว่าไม่ศึกษาก็ไม่เชิงเพราะว่าศึกษาที่บริบูรณ์จริงๆก็ในคณะโลกุตระจึงจะเชื่อว่าศึกษาจริงๆ แต่ถ้ายังไม่ถึงระดับโลกุตระก็ยังไม่ชื่อว่าเสขะตรงนี้นะแต่ก็เป็นสิกษาเนี่ยนะเป็นศิกาเป็นศึกษาเหมือนกันแต่ถ้าเสขานี้เน้นไปที่โลกุตระธรรมอันนี้กล่าวเฉพาะ5ติกะเท่านั้นนะติกะคือหมวด3กล่าวเฉพาะ5ติกะส่วนในคำภีปฏิสัมพิธามัต เพราะเหตุที่ในทางโลกแม้ปกติของสัตว์เหล่านั้นเขาก็เรียกกันว่าศีลคําว่าปกติเนี่ยนะมีนะปกตินี่เรียกว่าศีลใช่ไหมคนที่ทําอะไรเป็นปกติก็เรียกว่าเรียกว่าศีลคําว่าศีลเนี่ยแปลว่าปกติซึ่งเราเคยใช้กันเคยได้ยินเขาใช้เนี่ยนะคำว่าศีลนี่แปลว่าปกติได้แก่ศีลที่คนทั้งหลายหมายเอากล่าวถึงกันว่าผู้นี้เป็นสุขศีลเรียกมีปกติเป็นสุข ผู้นี้เป็นคนทุกข์ศีลมีทุกข์เป็นปกติใช่ไหมมีปกติสุขมีปกติทุกหรือว่าผู้นี้เป็นกละหะศีลมีปกติทะเลาะเออผู้นี้เป็นมันตนะศีลมีปกติแต่งตัวดังนี้เป็นต้นถ้าถ้าสมัยเราเขาเรียกว่านักกันนะเช่นนักดื่มก็คือดื่มเป็นปกติเรียกนักดื่มนักเที่ยวก็เที่ยวเป็นปกติใช่ไหมไอ้พวกนักนักอะ่ะนั่นแหละ นักเลงอย่างเงี้ยก็คือพวกที่ทําอะไรแบบนั้นเป็นปกตินั่นแหละอันนั้นก็เรียกว่าศีลฉะนั้นท่านพระสารีบุตรเถระจึงได้กล่าวไว้โดยปริยายนั้นว่าศีลมีสามอย่างโดยเกี่ยวกับเป็นกุศลศีลเป็นต้นอย่างนี้คือศีลมีสามอย่างคือกุศลศีลอกุศลศีลอภพยากตะศีลเพราะฉะนั้นใครที่มักมีปกติมากไปด้วยโลภะก็คือ มีโลภะ เ, เป็นปกติศีลใช่ไหมโมหะมากไปด้วยโมหะเป็นปกติก็มีโมหะเป็นปกติศีลแต่จำไว้ว่าในศีลสามอย่างมีกุศลศีลเป็นต้นนั้นอกุศลศีลไม่เสมอด้วยอาการทั้งหลายมีลักษณะเป็นต้นของศีลที่ประสงค์เอาในอัถนี้แม้ศักอาการเดียวเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงไม่นาเข้าไปในศีลนิเทศนี้ กุศลติกะเลยไม่เอาเลยเพราะศีลที่พูดถึงที่เป็นบาปเป็นอุปนิสยัยเป็นปัจจัยแห่งอริยมรรคนั้นจะต้องศีลนั้นต้องเป็นโลกต้องเป็นกุศลอกุศลศีลเนี่ยนะมีปกติเป็นไปด้วยโลภะอย่างเงี้ยถามว่าเป็นอุปนิสัยแห่งอรหัตมรรคไหมไม่เป็นนะก็บอกว่าขนาดอัพยากตะนะอภยกตะศีลเนี่ยเช่นมีปกติมักหลับอย่างเงี้ยนะมีปกติหลับอย่างเงี้ยเออหลับบ่อยๆนี่ ทำให้บรรลุมรรคผลได้ไหมล่ะจิตที่หลับเป็นจิตอะไรภวังคกจิตนะภวังคกจิตของสัตว์ทั้งหมดมีเท่าไหร่ภวังคกจิตของสัตว์ทั้งหมดมีเท่าไหร่สิบเก้านะทั้งหมดเลยนะแต่ของเราก็อย่างใดอย่างหนึ่งในสิบเก้าอ่ะสิบเก้าคืออะไรบ้างอ่ะ อ, อุเบคาสันติรณะสองก่อนที่ทำกิจภวังต่อไป มหาวิบากแปดมหคตาวิบากเก้าของเราก็หลับด้วยมหาวิบากกินบุญเก่าแลดีนะมีบุญนะได้ใช้บุญได้หลับได้คนหลับไม่ดีนี่ก็ทุกข์เอง ก, กันนะทุกข์พรนอนไม่หลับอีกนั้นคนที่นอนหลับก็นับว่ามีบุญนะของเดิมไม่เยอะอะแต่ถ้าหลับบ่อยๆเมื่อก็นก็เสียอย่างอื่นเนั่งกัน <c oughs> ก็บอกว่าได้จิตชาติวิบากแต่ว่าเสียจิตชาติกุศลไปนะแต่ถ้าตื่นแนละ้วเป็นอกุศลนั่นหลับยังจะเร็วน้อยกว่าเขาเ่อ แต่พระพุทธเจ้าไม่สารเสรินการหลับโดยประการทั้งปวงเพราะว่าชีวิตของหลับเนี่ยหมันขณะนั้นเป็นหมันไม่งอกเงยอะไรขึ้นเลยนอกจากเป็นผลของของเก่าเท่านั้นเองอเพราะฉะนั้นแม่แต่อัพยากตะเนี่ยนะยังไม่นับว่าเป็นสีในในใ น, ในที่นี้เลย<ม>เพราะว่าอัพยากตะทำทั้งหลายเป็นสีลณนะไหม อพยากตาธรรมทั้งหลายไม่ใช่สีแล้วนะอากุศลธรรมทั้งหลายก็ไม่ใช่สีแล้วนะคือไม่ได้ว่ารองรับกุศลธรรมชั้นสูงได้เพราะฉะนั้นตรงกันข้ามอากุศลทั้งหลายเป็นตัวบันทอนกุศลทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นกุสลติกาจึงไม่ไม่แสดงนะนะน่าจะแสดงด้วยนะเอเอสขาอาเสขะเนวเสขานาเสขะก็ยังเอามาแสดงสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลอัพยากตะน่าจะเอามาแสดงติกานี้นะ แต่ท่านไม่เอามาแสดงเพราะอากุศลไม่ได้เป็นอุปนิสัยแห่งนิพพานอภยยากะตะก็ไม่ได้เป็นอุปนิสัยใช่ไหมโดยกิจอกุศลควรโดยกิจนะกิจก็คือหน้าที่หน้าที่ของกุศลควรทําอย่างไรเ<ม>จริญโดยกิจอกุศลควรละเพราะฉะนั้นถ้าใครมาเจริญอกุศล น, นี่แย่แล้วเสียหายแล้วถ้าอภพยากะตะด้วยก็ควรปริญญานะควรรอบรู้ เนี่ยนะควรรอบรู้ควรเรียนรู้ให้เข้าใจโดยละเอียดละอ่บทีท่วนเพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงทราบความที่ศีลนั้นมีสอย่างตามนัยะที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วเท่านั้นเถิดะฉนั้นศีลที่ที่เป็นอุปนิสัยแห่งอริยมรรคเนี่ยนะเพราะว่าอย่าลืมว่าศีลในวิสุทธิมรรคแสดงเพื่ออะไ ร, เ, เ, รเพราะแสดงวิสุทธิข้อที่หนึ่งอยู่ เพราะว่าวิสุทธิมรรคเป็นคัมพีที่แสดงวิสุทธิเนะเป็นคัมภี์ที่อธิบายวิสุทธิเจ็ดโดยลําดับเพราะฉะนั้นถ้าอะไรไม่ได้เกื้อกูลต่อจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุธ ท, ทสธิกังขาวิวตรณาวิสุทธิเป็นต้นไปท่านจะตัดออกไปไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะไอ้สิ่อย่างอื่นๆก็มีเยอะแยะไปแต่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เป็นอุปนิสยัยไม่ได้เป็นปัจจัยแก่วิวสุทธิข้อต่อๆไปท่านจะไม่แสดงท่านจะแสดงเฉพาะ ศีลที่เป็นอุปนิสัยแห่งวิสุทธิ์ต่อต่อไปอีกโดยลำดับต่อไปอ น, นะติกะพานจอบพานทั้งห้องเลย